จิตใจมีความสุขมีความสงบมีความอิ่มมีความพอที่เกิดจากการทาทานเกิดจากการรักษาศีลเกิดจากการปฏิบัติธรรมเกิดจากการฟังเทศน์ฟังธรรมจิตใจเกิดความทุกข์เพราะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ทางราบยศสรรเสริญอย่างที่พวกเราเป็นกันอยู่ในขณะนี้พวกเรายังประสบกับความทุกข์ต่างๆอยู่เรื่อยๆก็เป็นความสุขความทุกข์ที่มาจากการไปหาความสุขทางตาหูจมูกน้นงายนี่เองดังนั้นเราจึงต้องเชื่อคนฉลาดเชื่อนักปราชอย่างพระพุทธเจ้า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 มันก็จะหมดไปเพราะเราไม่ทำตามความอยากเราเอามาทำทานแทนทำทานแล้วเราก็มีความอิ่มใจสุขใจอยู่บ้านเฉยๆก็ไม่เดือดร้อนไม่เหมือนกับเวลาเอาเงินไปเที่ยวกันพอเที่ยวเงินหมดก็ต้องกลับมาอยู่บ้านพออยู่บ้านก็เกิดความไม่สบายใจ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 ไปดื่มไปรับประทานไปเที่ยวไปทําอะไรต่างๆนี่คืออความสุขขั้นแรกที่พระเจ้าส่งสอนให้พวกเราทํากันถ้าเราจะใช้เงินเพื่อซื้อความสุขต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเราไม่มีเงินเราไม่ใช้เงินเพื่อซื้อความสุขเหล่านั้นเราเป็นคนสมถะเรียบง่ายแล้วเราไม่มีเงินมากพอที่จะเอาไป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 ก็คือรักษาศีลแปดนะเรารักษาสีห้าได้แล้วต่อไปเราก็จะสามารถรักษาศีแปดได้เราก็ทําจากน้อยไปมากก่อนเราไม่ได้ทําแบบ ท, ทําทีทันใดทําแบบทุกวี่ทุกวันไปวันธรรมดาเราก็รักษาสีห้าไปวันพระอย่างวันนี้เราก็มารักษาสีแปดกัน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 ทุกเพราะว่าไม่ได้รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วทุกเพราะว่าไม่ได้ดูพวกหมอมหอรสศพบันเทิงต่างๆทุกเพราะว่าไม่ได้เสริมสวยความงามด้วยเสื้อผ้าอัปพอลด้วยเครื่องสำอางด้วยน้ํามันน้ําหอมต่างๆทุกเพราะว่าต้องนอนบนพื้นไม้พื้นแข็งไม่ได้นอนบนฟูกนหนาๆอันนี้เป็นความทุกข์เล็กๆน้อยๆ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 ทางตาหูจมูกล่้นกายอตาเรามีเครื่องมือที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์นี้ได้ผู้ที่รักษาศีลแปดนี้ควรจ ะ, จะปฏิบัติทำควบคู่ไปด้วยคือควรจเจริญส ม, มะถะภาวนาในเบื้องต้น <c oughs> ทำใจให้สงบเพราะเวลาใจสงบแล้วความทุกข์ที่เกิดจากความอยาก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 ความอยากที่จะนอนบนผูกหนาๆ น, นิ่มๆ น, นานๆก็จะถูกละงับไปขณะที่ใจสงบใจก็จะมีแต่ความสุขและเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ได้รับจากการกระทําในสิ่งที่ศีลแปดห้ามไม่ให้กระทำํำผู้ที่จะรักษาศีลแปดได้อย่างสบายจึงจําเป็นจะต้อง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 ถ้ามีสติคอยควบคุมความคิดไม่ให้คิดปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆใจก็จะค่อยๆสงบลงไปและสงบได้อย่างเต็มที่ถ้าสติมีอย่างต่อเนื่องสตินี้ก็มีมาในมีอยู่ในหลายรูปแบบด้วยกันรูปแบบที่เราได้ยินได้ฟังกันก็คือพุทธานุสติ ก็คือการนําลึกถึงพระพุทธเจ้าดยการนําลึกถึงชื่อของพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธถ้าเราบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรียกว่าเรากําลังเจริญสติเพราะเวลาที่เราพุทโธพุทโธอยู่นี้เราไม่สามารถที่จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ถ้าเราจะคิดเราก็ต้องหยุดพุทโธ แต่ในขณะที่เราพุโทโธนี้ก็ยังอาจจะมีความคิดที่แทรกเข้ามาได้อยู่ถ้าเราไม่ไปสนใจมันต่อไปมันก็จะหายไปเราอย่าไปสนใจให้เราสนใจอยู่กับการบริกรรมพุโทโธพุธโทโธของเราไปอันนี้เรียกว่าการเจริญสติด้วย พ, พ, พุทธานุสติมีวิธีอื่นการเจริญสติ ถ้าใช้ร่างกายเป็นสิ่งที่คอยควบคุมบังคับให้ใจเกาะติดอยู่เพื่อไม่ให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเร่งนี้ก็เรียกว่ากายะกะตาสติเช่นให้ใจจดจ่ออยู่กับการเคลื่อนไหวกับการกระทำของร่างกายตั้งแต่ตื่นจนหลับมไม่ว่าร่างกายจะทำอะไรให้ดูให้อยู่กับการกระทำนั้น เช่นเวลาลุกเดินขึ้นมาลืมตาก็ให้ดูว่าตอนนี้ร่างกายอยู่ในท่าไหนอยู่ในท่าหน่อยออาจะคิดลุกขึ้นมาก็ต้องดูร่างกายว่ากำลังลุกขึ้นมาร่างกายกำลังยืนร่างกายกำลังเดินร่างกายกำลังไปเข้าห้องน้ำเพื่อไปทาภารกิจต่างๆไปอาบน้าอาบท่าอาบน้าอาบท่าล้างหน้าแปรงฟัน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 ด้วยกายะกะตาสติพอเวลามีเวลาว่างไม่ต้องทำอะไรเราก็นั่งหลับตาถ้าเราใช้กายะกะตาสติเราก็ดูลมหายใจเข้าออกเพราะตอนนั้นนั่งกายนั่งอยู่เฉยๆก็ไม่รู้จะดูอะไรก็มีลมหายใจนี้ที่เราสามารถใช้เป็นที่สร้างสติขึ้นมายึดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ ให้รู้เฉยๆไม่ต้องไปบังคับลมลมหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าลมหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกลมหยาบก็รู้ว่าหยาบลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียดหายใจสั้นก็รู้ว่าหายใจสั้น <ak> หายใจยาวก็รู้ว่ า, ายย MS. หายใจ ย, ยาวอย่าไปบังคับลมเราไม่มีหน้าที่ที่จะไปบังคับลม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 ความอยากต่อไปถ้าพิจารณาด้วยปัญญาก็จะไม่อยากจะทำตามความอยากจะหยุดทำความอยากได้ทุกครั้งอยากจะดื่มอยากจะดูอยากจะฟังก็ไม่อยากทำเพราะว่าความสุขที่ได้มันก็ซื้อความสุขอยากการอยู่เฉยๆไม่ได้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้แล้วนอกจากความสุขที่ได้มาที่ไม่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 ปัญญาก็คือมองเห็นไตรลักษณ์นี้มองเห็นว่าสิ่งต่างๆที่ใจอยากได้นั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราไม่สามารถที่จะไปสั่งมันไปควบคุมบังคับให้มันให้ความสุขกับเราเพียงอย่างเดียวถึงเวลาที่มันจะเปลี่ยนเป็นการให้ความทุกข์กับเราเราก็ห้ามมันไม่ได้หยุดมันไม่ได้เช่นของที่ซื้อมาใหม่ๆก็ดี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 ถ้ามันแน่จริงไม่ต้องเขียนวันหมดอายุสิเก็บไว้ได้ร้อยปีพันปีมีอะไรบ้างที่เราเก็บได้เป็นร้อยปีพันปีไม่มีแม้แต่ร่างกายของเราเราก็เก็บมันร้อยปีพันปีไม่ได้ถ้าเรายังต้องพึ่งมันอยู่เวลาพึ่งมันไม่ได้แล้วเราจะทําอย่างไรเราก็มีแต่ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจก็โดดตึบได้กันเพราะเราไม่เคยหาความสุขทางใจกัน ถ้าเรามีความสุขทางใจแล้วเราทิ้งความสุขทางร่างกายได้เลยร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายนี้เราไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ต้องใช้มัอนแล้วแต่ตอนนี้เรายังไม่มีความสุขทางใจกันเราต้องอาศัยร่างกายพอร่างกายเป็นอะไรนิดเป็นอะไรหน่อยนี่วุ่นขึ้นมาทันทีหวาดกลัวขึ้นมาทันทีวิต ก, กังวลขึ้นมาทันทีเป็นอไรทีนี้ นึกถึงมะเร็งทันทีเอ๊ะเป็นมะเร็งหรือเปล่าเนาะแล้วเวลาเป็นก็ไม่รู้จะทำยังไงถ้าเป็นแบบที่รักษาไม่ได้ก็ต้องตายไปในที่สุดก็อย่าอยู่อย่างทุกข์ทรมานไปบางคนทนความทุกข์ทรมานไม่ได้ก็ฆ่าตัวตายไปซะก่อนนี่แหละเป็นเพราะว่าไปเพิ่งสิ่งที่มันพึ่งไม่ได้ไปพิ่งความสุขที่เป็นความสุขชั่วคราว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 เราต้องพยายามทำสิ่งเหล่านี้ให้ได้เราเป็นเหมือนนักเรียนเราอยากขี้เกียจไปโรงเรียนขยันไปโรงเรียนขยันทำการบ้านขยันขยันทำข้อสอบแล้วเราก็จะก้าวขึ้นไปตามชั้นต่างๆจากอนุบาลก็จะขับไปสู่ชั้นประถมชั้นมัธยมชั้นอุ ด, ดมศึกษาปริญญาตรีโทเอกตามลำดับได้ชั้นใดการเรียนรู้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 นี่มันเป็นของที่เราจะต้องก้าวขึ้นไปทีละขั้นทำทานเพื่อให้ทำให้ใจเรามีความเมตตากรุณาลดความอยากต่างๆลดการอยากจะหาความสุขด้วยการใช้เงินพอเราเอาไปทาทานเราก็มีความเมตตากรุณาเราก็จะไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นเราก็จะไม่อยากจ ะ, ะทำบาป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 ต้องดูกําลังของตนเองดูว่ากําลังอยู่ในขั้นไหนทําได้อะไรบ้างศีลหา้ารักษาได้หรือยังศีลแปดรักษาได้หรือยังก่อนที่จะไปภาวนาก่อนที่จะไปดูจิตเจริญวิปัสสนาอันนี้จังทุกขังอนาาัตตายาปากก็ยังโกหกอยู่ใจก็ยังอยากขโมยข้าวของของคนอื่นอยู่ทำอย่างนี้ทําไปมันก็ไม่มีผลแต่อย่างใดจึงขอฝากเรื่องของการมา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 ยทถาวาริวหาปุราปาริกุเรนติสากรังเอวเมวะอิโตทินางเปตานางอุปการปติอิชิตังปฏิตังตุมห um ังคิดปาเมวะสมิจจตุสัพเพปุรรนตุสังกปาจันททปนะระโสยะถามณีโชติ อระโสยทาสพิติโยวิวาชนตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวตวันตรายุสุขิทีขายุโกภวะอภิวาธนศิลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารโอธรรมาวะทานติอายุวันโอสุขัง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 ถ้าผ่านถ้าไม่ถามผ่านไมโครโฟนจะไม่ได้ยินเสียงคำถามเวลาตอบคนฟังก็จะไม่เข้าใจว่ากาลังพูดถึงเรื่องอะไรถ้าหลังจากนี้ไปแล้วปิดไมโครโฟนแล้วมาถามก็ไม่ตอบ <c oughs> ชอบมาถามตอนที่ปิดไมโครโฟนไงนะคิดว่าเป็นธรรมทานก็เลยกันปัญหาของเราก็เป็นปัญหาของคนอื่นด้วย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 ถ้าไม่มีก็จะเปิดโอกาสให้ญาติโยมทางบ้านที่ถามผ่านทางอินเทอร์เนต็ตมาให้ให้นํเอาให้ผู้พิธีกรช่วยถามต่อเขาบอกว่ามีคาถามจับจับมาถามหลวงพ่อสต่ไมกล้าถามไม่ไม่ลืมเวลานีต้องเอาต้องเชิญมาด้วเช็ง้งามด้ย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 ก็ต้องใช้ธรรมธรรมนี้ก็มีหลายหลายอย่างด้วยกันธรรมอันแรกก็ควรจะมีความเมตตากรุณาคือต้องสงสารเขาเห็น อ, อกเห็นใจเขาว่าเขากำลังทุกข์มากการที่คนทุกข์มากนี่จะให้เขาพูดดีทาดีนี่คงจะยากังั้นเราต้องเข้าใจเขาต้องให้อภัยเขาอย่าไปถือโทษกดเครื่องเขา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 เราก็ควรจะคิดอย่างนี้ถ้าคิดอย่างนี้ได้เราก็พอที่จะทนอยู่กับเขาได้แล้วก็ส่วนเราก็ควรที่จะสร้างเกาะคุ้มกันขึ้นมาถ้าเราภาวนาได้ก็จะดีเพาเราจะมีเกาะคุ้มกันถ้าเรามีสมาธิมีความสงบใจเราก็จะเป็นอุบเบกขาก็จะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไปกับอารมณ์ของเขา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 ไม่่่่วาาาาาาจะเเป็นรรรรงงงงกกยยขออยขอออหืคนน่ำถามข้อต่อไปจากคุณอันโดอันนบพงเมศควรปฏิบัติตนอย่างไรหลังจากอย่าล้างเคยคิดว่าเขาเป็นปลาทองที่สวยงามเพราะไว้ดูอย่างเดียวจะได้ไม่ปรุงแต่งและอาลัยอาวอนยอมรับความจริง ถ้าอยากกันแล้วก็จบแล้วไปอะไรเอาวันกันทำไมอยากกันแล้วก็ควรจะไปบวชเลยจะดีกว่าคำถามข้อต่อไปจากคุณเดฟเอาเลแมนการได้สำเร็จโสดาบันแล้วนั้นยังสามารถทำผิดสีลห้าได้ไหมคะและหากเมื่อได้ทำผีศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งเช่นมุสาจะ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 ความตั้งใจที่จะกระทําแต่สําหรับจิตของพระโสดาบันนี้ท่านมีสติสัมปชัญญะที่รู้การกระทําของใจตลอดเวลารู้ว่ากําลังคิดไปในทางบุญหรือไปในทางบาปพระโสดาบันนี้จะไม่กล้าคิดไปในทางบาปเพราะมีฮิริโอตปะฮิริก็คือความละอายในการกระทําบาปโอตปะก็คือกลัวบาปกลัวผลของบาปเพราะเห็นว่าเห็นด้วย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 ก็จะทำให้เราไม่สามารถที่จะก้าวขึ้นไปสู่ทาขั้นสูงได้คำถามต่อไปจากคุณเคมิยาชาวัยขอเรียนถามเกี่ยวกับการกำหนดขนาภาวนาที่ว่าดูที่จริตของเราโทสะจริตให้เจริญเมตตานั้นทำอย่างไรคะถ้าคาถ้าใช้คำบริกรรมเรานึกคำนั้นได้เลยเช่นพุทธโธ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 วิธีแก้ก็ต้องใช้เมตตาคำว่าเมตตก็คือสัเพสตาอเวราโหนตุสงสอนให้เราไม่จองเวรจองกรรมกันให้อภัยกันให้คิดเสียว่าสิ่งที่เขาทำก็ผ่านไปแล้วไปโกรธไปอาฆาตจองจองเวรจองกรรมมันก็ไม่ได้ไปลบล้างสิ่งที่เขาทำได้แต่มีจะทาให้ใจของเราร้อนขึ้นม า, มากกว่าเดิม แต่ถ้าเรายอมรับความจริงว่ามันผ่านไปแล้วมันเกิดไปแล้วถ้าเราไม่ถือสาไม่จองเวรใจของเราก็จะเย็นกลับมาสงบได้แล้วให้มองว่าการจองเวร น, นี้ไม่ใช่เป็นการระ ง, งับเวรแต่เป็นการต่อเวรเขาทำเราเราไปกลับไปทำเขาพกลับไปทเาเขาก็กลับมาทำเรา มันก็จะมีไม่มีวันจบเส้นกันแต่ถ้าเขาทำเราแล้วเราไม่ตอบเรื่องก็จะจบหมดตรงตรงที่เรานี่แหละดังนั้นเราต้องมองถึงผลเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่เร า, เาไปจองเวรจองกรรมหนึ่งทำให้ใจเราไม่สงบนั่งภาวนาไม่ได้ทำจะนั่งสมาธิไม่ได้สองจะทำให้มีเวรกรรมยาวขึ้นไป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 ของดีของมีคุณค่าคิดว่าเป็นตัวแทนของพระพุทธพระธรรมพระสงค์ซึ่งเป็นความหลงถ้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องวัตถุมงคล น, นี่ก็เหมือนกับหลงทางถ้ากินยาก็กินผิดชนิดแทนที่จะกินยาเพื่อรักษาให้โครคปลายไข้เจ็บหายไปก็ไม่ได้รักษาแต่อย่างใดข้อที่สอง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 เป็นเจตนาของเราแต่ทานแต่เขานี่จะได้บุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้คนบางคนเขาไม่มีเงินมีทองที่จะทําทานเองแต่เขามีเวลาเขายินดีที่จะเอาของที่เราอยากจะถวายพระไปถวายแทนเราเพื่อที่เราจะได้บุญเขาก็จะได้บุญข้อที่สาม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 แต่ถ้าเราไปหลงยึดติดกับบุคคลว่าโอ๊ยทากับคนนี้เขาเป็นพระดีพระวิเศษเนยก็มันก็เกิดความสุขแต่เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่เกิดจากจินตนาการของเราเองพอจินตนาการนั้นถูกทำลายไปความสุขที่เราได้จากการทำแบบนั้นมันก็จะหายไปคำถามต่อไปจากคุณกนกพรภัยสารอัศวเสนี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 ถ้าเราแผ่เมตตาในขณะหลังจากที่เรานั่งสมาธิมาแล้วเช่นเราสวดบทสบเพสัตตาอเวราหนตุนีเราเป็นการทําการบ้านเป็นการซ้อมไว้เตือนใจเราว่าเราต้องรู้จักการแผ่เมตตานะเวลาเราไปเจอเหตุการณ์ที่เราต้องแผ่เราจะได้แผ่ได้เช่นเวลาไปเจอคนที่เขาทําร้ายเรากานแกล้งเราแล้วเราเกิดความโกรธขึ้นมา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 ความโกรธหายไปความเกลียดหายไปมีแต่ความเมตตาเหมือนกับคนที่เราลากกันอย่างนี้เราก็จะได้สอบผ่านเราจะได้ความสุขไม่งั้นทุกครั้งที่เราเจอคนที่เราเกลียดนี่เราจะทุกข์ขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเราแผ่เมตตาได้ให้อภัยได้ต่อไปเราเจอเขาเราจะรู้สึกเฉยเฉยรู้รู้สึกดีใจอาจจะขอบใจเขาเสียว่าเขาเป็นคนทาให้เราต้องทาข้อสอบ อย่างที่พุทธมีคำพูดอยู่ว่ามารบรมีบารมีบ่กเกิดบารมีก็คือเมตตาบารมีนี่ต้องมีมารต้องมีตัวมายุแยมาสร้างความทุกข์สร้างความโกรธความเกลียดให้กับเร า, ารแล้วเราแล้วเราต้องชักไอ้เมตตานี้ออกมาฟันมันให้ได้ฟันให้ตัวโกรธตัวเกลียดนี้ให้ได้ ถ้าฟันได้ต่อไปเราจะไม่มีความโกรธใครเกลียดใครอย่างพระพุทธเจ้านี้ไม่เกลียดใครแม้แต่เทวทัตที่พยายามที่จะปรองพระชนถึงสามครั้งก็ไม่โกรธไม่เกลียดกลับให้อภัยสงสารอาพอเห็นว่าการกระทําของเขานี้จะต้องไปอบายต้องไปตกนรกอ่าเป็นอนันตฤยกรรมเล ย, ย<ะ>เป็นบาปที่รุนแรงที่สุดการทําให้พระพุทธเจ้าห่อเลือกนี้ก็แท<ะ>นที่จะได้บรรลุปเป็นพาาระอรหันตในชาตินี้ก็ต้องไป ตกนรกแล้วก็หลังจากใช้กรรมหมดแล้วถึงจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็จะสามารถปฏิบัติธรรมจนบรรลุปเป็นพระประเจกับพระพุทธเจ้าได้ต่อไปแต่ก็ต้องเสียเวลาไปอีกนานนี่คือสิ่งที่พทธเจ้าทรงเห็นเมื่อท่านเห็นแล้วว่าใครทำบาปผู้นั้นเขาก็ต้องใช้บาปอยู่แล้วเราไม่ต้องไปลงโทษเขาหรอกโทษ ท, ที่เราไปลงโทษนี้มันน้อยมากกว่าโทษที่เขาจะต้องได้รับ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 ไม่เหมือนกันเพราะอย่างที่พูดแล้วตอนที่เรานั่งนั่งไหว้พระสวนมันไม่มีช้างจะมาเหยียบเราเราเพ่งกำลังซ้อมทำการบ้านอยู่แต่เวลาที่พระเจ้าเจอช้างมาเหยียบนี่พวกเจ้ายืนเฉยๆแล้วก็แผ่เมตตาไม่ได้วิ่งไปหามีดหาปืนที่จะมายิงช้างถ้าพวกเรานี่เป็นยังไงเกิดช้างมานี่เราจะนั่งเฉยๆแผ่เมตตาหรือว่าจะวิ่งไปหาปืนหามีดมา ข้อที่ห้าพระอาจารย์เจ้าคะคือจ ร, จริงๆดิฉันชอบแผ่เมตตาหรืออุทิศบุญกุศลไปยังสัตว์ทั้งหลายมากควรทำหรือไม่ควรทำเจ้าคะควรแต่จะทำให้มันถูกก็จย่างว่อย่างที่บอกจะ แ, แผ่เมตตาก็ต้องมีเหตุการณ์เจอคนค่อยแผ่อย่างนั้นถึงเรียกว่าแผ่แมเมตตาแผ่ให้สัตว์ก็ได้เจอหมาขี้เลื่อนเอามาเลี้ยงมันเอามาพาไปหาหมอรักษาให้มันหาย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 จิตระดับเนี้ยจิตที่เป็นเปรต น, นี้เท่านั้นที่จะรับส่วนบุญได้แล้วก็ต้องมารอรับด้วยบางทีเขาอาจจะไม่มาก็ได้เหมือนขอทานบางทีก็อาจจะไปขอทานที่อื่นก็ได้เพราะเขาคิดว่ามาขอเราคงจะไม่ได้เขาก็อาจจะไม่มาก็ได้อยังงี้ต้องมีต้องมีอะไรเป็นสั ญ, ญลักษณ์เตือนเราบอกเราว่าเขามาขอบุญจากเราเช่นนอนแล้วฝันถึงเขาอย่างงี้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 เพื่อจะได้เผื่อไว้เผื่อว่าเขามาจริงเราก็ตอนเช้าแล้วก็ไปซื้อของทําบุญตักบาทแล้วก็อุทิศบุญไปบุญอุทิศก็ทําได้จากการทําทานนี้เท่านั้นศีลนี้อุทิศไม่ได้เอ่สมาธิความสงบนี้อุทิศไม่ได้ถ้าได้พระเจ้าก็อุทิศนิพพานให้พวกเรากันใช่ไหม <c oughs> พวกเราเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องมานั่งให้มันเหนื่อยยากตรงนี้พระพุทธเจ้าตัดสัตวรู้แล้วก็จิตก็แผ่ไปทั่ว ตายพบเลยให้ทุกคนไปถึงนิพพานพเพียงนี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 เขาไม่สามารถที่จะรับได้เหรอเจ้าคะก็รับได้อย่างเดียวสอนเขาไงแต่ก็มานั่งฟังเทศจากเราเราสอนเขาว่าวิธีทําใจให้สงบทําอย่างไรเหมือนพระพุทธเจ้าสอนพุทธมารดาสอนให้บรรลุเป็นพระโสดาบรนได้แต่พระพุทธเจ้าไม่สามารถเอาโสดาบันไปติดไว้ที่ใจของพระพุทธมารดาได้เจ้าค่ะอันนี้เป็นถึงสามครั้งนะคะและคนคนเดียวกันนะคะก็สอนให้เขาไปเองก็ เขามาก็สอนเขาสิว่าอยากจะได้อะไรเรามีอะไรก็สอนเขาเราเรานั่งสมาธิเป็นแล้วก็สอนให้เขานั่งสมาธิไปทําใจให้สงบเจ้าค่ะเรามีวิปัสสนาปัญญาแล้วก็สอนเขาไปเราอยู่ที่เขาว่าเขาจะเอาไปทําได้หรือไม่ได้องั้นเลยจ้าค<ถ> <Stretch. S 2> ่ะในครั้งสุดท้ายเนี่ยครั้งที่สามเนี่ยเขาก็าหายไปเลยเจ้าค่ะตอนนี้ก็ไม่ไม่ได้มาอีกเจ้าค่ะคิดว่าคิดว่าเป็นอนิจจังก็แล้วกันเจ้าค่ะค่ะสาธุเจ้าค่ะ <c oughs>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 คนที่มีความจําดีก็สามารถระลึกชาติได้อย่างพระพุทธเจ้านี่สามารถทรงระลึกอดีตชาติได้อย่างพระเจ้าสิบชาตินี่ก็เป็นการระลึกของพระพุทธเจ้าเองที่เล่าถึงชาติต่างๆเ <c oughs> ช่นเป็นพระเวชวสันดรเป็นพระเตมีเป็นพระอะไรต่างๆนี่ก็เป็นจิตของพระพุธทธเจ้าทั้งนั้นแหละอ่นี่คนเรามีความความสามารถในการจดจําไม่เท่ากันเนีไง นักเรียนที่เรียนหนังสือที่ได้ที่หนึ่งเพราะความจําก็ดีกว่าคนที่ได้ที่โหลก็ความจําไม่ดีจําไม่ได้กูสอนอะไรจําไม่ได้เลยก็เลยต้องได้ที่โหลแต่คนที่ความจําดีถามอะไรก็ตอบได้หมดนี่ก็เกิด ค, ความสามารถในการจํานี้ของแต่ละค น, นมีไม่เท่ากันคําถามข้อต่อไปจากคุณอะต้อยปาม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 งั้นเวลาเราทําอะไรอยากทําอะไรอย่าไปมีอุปทานกับความอยากนั้นอยากได้แต่ต้องรู้จักประมาณรู้จักขอบเขตอยากกินกว๋วยเตี๋ยวพอสั่งกว๋วยเตี๋ยวมามันเอาข้าวต้มมาให้ก็อย่าไปโกรธมันหูมันไม่ดีแล้วมันหมดกว๋วยเตี๋ยวหมดมันมีแต่ข้าวต้มมันก็ก็จะไม่โกรธงั้นพยายามลดความอยากแล้วความโกรธมันก็จะน้อยลงไปนล้หมดไปในที่สุด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 ถ้ามีเจ้าวาดดุๆนี่ไม่มีใครกล้าจะมีเรื่องมีราวกันเพราะอย่างน้องตานี่ไปอยู่กับท่านท่านบอกว่าถ้าใครทะเลาะกันแล้วมาฟ้องเรานี่ไปทั้งคู่เราไม่เราตัดสินใจใง่ายๆมันคือมันเร็วด้วยกันทั้งคู่ถ้า ถ, ถึงต้องทะเลาะกันดบมือข้างเดียวไม่ดังนั้นท่านจะไม่มาเป็นผู้เป็นผู้มาพิพากษาว่าใครผิดใครถูก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 คำถามต่อไปจากคุณสูสานวังพิทักษ์ดิฉันเป็นอิสลามแต่ศรัทธาในคำสอนของหลวงพ่อและชอบแนวทางคำสอนของาศาสนาพุทธแต่ในทางาศาสนาอิสลามการทำบุญกับาศาสนาพุทธถือว่าเป็นบาปหลวงพ่อมีความคิดเห็นหรือมีคำแนะนำอย่างไรบ้างคะการทำบุญนี้ไม่เป็นบาปไม่ว่าจะทำกับใคร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 บอกว่าผู้ฝึกจิตทุกคนที่มีความคุ้นเคยกับการเข้าผวังพวังในสมาธิก็มีความคล้ายคึงกับผวังในจิตสุดท้ายนักพลังจิตที่มีความรู้จะใช้โอกาสอันนี้ยกจิตไปสู่โฟมโลกหรือหากมีความเชี่ยวชาญก็ทำวิปัสสนา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 อย่างนี้จะเป็นสมาธิหรือเรียกว่าสัมมาสมาธิหรือไม่ครับมันก็เป็นสมาธิชนิดหนึ่งเป็นฌานะถ้าได้รูปฌปานก็จะไปเกิดในรูปประผมถ้าได้อารูปฌปานก็จะไปเกิดในอารูปประผมจะเรียกว่าสัมมาหรือไม่สัมมานี่มันก็อยู่ที่ว่าเราจะเริญนสมาธิเพื่ออะไร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 หรือว่าไม่รู้จักทางที่จะก้าวขึ้นไปสูงกว่านั้นอย่างสมัยก่อนที่พระพุทธเจ้า ต, ตรัสรู้ก็ไม่มีใครรู้จักการก้าวขึ้นสู่ขั้นวิปัสสนาก็ได้แต่ขั้นสมาธิได้ขั้นรูปปัจจานอรูปปัจจานอย่างผ้าจาย์ของพรอพุทธเจ้าสองรูปก็ได้แค่นั้นจะเรียกว่าเป็นมิจฉาสมาธิก็ได้เพราะว่าถ้าเป็นสัมมาสมาธินี้จะต้องสามารถเออ่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 เชื่อว่าสวดมนต์ข้ามปีแล้วชีวิตจะดีตลอดปีจริงหรือไม่คะแล้วสวดมนสวดมนต์คืนนี้กับสวดมนต์ใเคินวันที่สามสิบเดันต่างกันตรงไหนไม่รู้จะตอบยังไงดี <c oughs> ถ้ามันจะดีต้องสวดทุกคืน <c oughs> อ่าอย่างนี้ดีแต่มาสวดแค่คืนเดียวมันก็เหมือนสวดคืนนี้แหละ <c oughs> มันก็เหมือนกันน่ะเคยนี้กับเคยที่สามสิบมันต่างกันตรงไหนหมดคาถามแล้วค่ะหลวงพ่อเอาคำถามนี้มีใครอยากจะถามไหมฮะถามมาครับผมสุชาติครับจากกรุงเทพนะครับจะถามต่อเนื่องเมื่อกี้เลยครับว่าแล้วที่ไหว้พระเก้าวัดล่ะครับถ้าไหว้าพระเก้าวัดแล้วท่านเป็นเป็นพระนั่งทั้งเก้าวัดแล้วฟังเทศฟังธรรมจากท่านก็จะได้ ได้ประโยชน์แต่ถ้าไปไหว้ภาพพุทธรูปนี้ก็จะไม่ได้อะไรได้ก็อย่างมากก็ศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้าแต่จะไม่ได้ธรรมะอะไ ร, รถ้าไปทำทานก็จะได้ทานวันนี้ผมถามคามถามส่วนตัวผมนะครับคือตอนนี้ผมเมื่อตอนที่ตอนประมาณสักสิบขวบนะครับคุณแม่เขาเปิดร้านอาหารนะครับ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 ที่ดีกใกล้คิดอย่างนั้นไปก็ดีเพื่อเราจะได้ไม่กล้าไปทําบาปต่อไปีคาถามหนึ่งนะครับพอดีมีเพื่อนๆที่มีลูกพิการเนี่ยนะครับแล้วก็พยายามที่จะชวนมานั่งสมาธิถือศีลอะไรต่างๆนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะไปดูหมอดูไปเข้าทรงต่างๆหมอดูกับเข้าทรงเนี่ยมีจริงนะครับแล้วก็ช่วยเขาหายทุกได้ไหมครับ ม, มีจริงแต่มันไม่จริงอ้าวมดู อ่าไม่เป็นไรอย่ามาแล้วก็มีจริงไงเขาดูกันอยู่เนี่ยแต่มันไม่มีผลจริงถ้ามีผลจริงมันก็สบายเนั่นเป็นเรื่องของความเชื่อกันเท่านั้นเองสิ่งที่แท้จริงมีอย่างเดียวก็คือกฎแห่งกรรมพระพุทธศาสนานสอนให้เชื่อยอย่างเดียวให้เชื่อกฎแห่งกรรม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 อาา่าขอโอกาสท่านอาจารย์ครับอพอดีผมเคยตั้งอตั้งแต่เด็กก็ใช้ปฏิบัติแนวทางของวัดตามาตลอดนะครับคราวนี้พอเมื่อประมาณปีก่อนอตอนอยู่ในูต่างประเทศนะครับก็ไม่ค่อยปฏิบัติแต่มันจะมีปรากฏการณ์บางอย่างมาเตือนตลอดเช่นบางทีอหลงหลงกับวัตถุอะไรอยู่บางทีนั่ ง, ง, งดูอยู่วัตถุนั้นก็จะแปลสภาพเป็นอเป็นเป็น อ, อีกแบบหนึ่ง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 การที่เราจะเจริญปัญญาได้อย่างมีเหตุมีผลนี่เราต้องมีฐานก่อนก็คือต้องมีความสงบก่อนถ้าใจไม่สงบแล้วมันยากต่อการที่เราจะเห็นสิ่งต่างๆเช่นเราสุภาเห็นอันนิจจ์นี้มันจะเห็นยาก ท, ที่มันปรากฏขึ้นมาเพราะบางช่วงจิตเราสงบจิตเราว่างแล้วมันก็มีช่องโผล่ขึ้นมาถ้าจิตเราไม่ว่างก็เหมือนกับมีสิ่งอย่างอื่นมากรบันไว้ จิตาไปวุ่นกับเรื่องนั้นเรื่องนี้จิตเราก็เป็นเหมือนจอภาพอย่างเนี้ยถ้ามีภาพอื่นอยู่บนจอภาพที่เราต้องการจะเห็นมันก็โผล่ขึ้นมาไม่ได้นะเราต้องลบภาพอย่างอื่นไปให้หมดก่อนทําใจให้ว่างก่อนทําจอให้ว่างแล้วเราค่อยนึกถึงภาพที่เราต้องการภาพนั้นก็จะโผล่ขึ้นมาได้ชัดเจนฉะนั้นต้องพยายามทําสมาธิให้มากๆก่อนถ้าต้องการที่จะเห็นวิปัสสนาเห็นปัญญา เห็นใจรักเห็นอัศภาพาณิช์ใจต้องว่างตรงตรงที่มันไม่ได้ตั้งใจเราอยู่เพราช่วงนั้นใจมันว่างครั บ, บางเวลาใจเราก็ไม่รู้มันก็เหนื่อยมันอาจจะไม่อยากจะคิดไม่อยากอะไรขึ้นมามันก็ว่างไปสักพักช่วงนั้นมันก็อาจจะมีสิ่งที่มันที่เราเคยปลูกฝังอยู่ในใจโผล่ขึ้นมาครับตามหมดแล้วใช่ไหมวันนี้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 อันนี้ก็บทพอดีอ่ะ ก, ก็ขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ